ที่สุดเยนะสัมมาสังกปะโคจลาโอ้มีสัมมาสังกปะเป็นที่โคจรเป็นที่เที่ยวไปอย่าเป็นมิจฉาโคหรือมิจฉาสังกปะโคจราเออมีมิจฉาทิฏฐิในการเที่ยวไปไม่ว่าอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็โอ้ยทํามิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นทุกอารมณ์เลยนะเกินดินไปทางทิศเหนือทิศใต้ ต, ตะวันออกตะวันตกอนุทิศอีกแปด แล้วก็มีโคจรไม่บริสุทธิ์ถ้าอย่างนี้แปลว่าเรานั้นสระรอบพระบรมศาสดาพระศาสดาก็สละรอบในเราท่านทั้งหลายฉะนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็น้อมจิตในการที่จะซืออ้ทอทํำยังไงนาะเราจะทําโคจรอของเราให้บริสุทธิ์นะเพื่อเราจะได้อยู่ไม่เว้นจากพระผู้มีพระเจ้าไม่ละพระพุทธเจ้าไม่ห่างจากพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าก็จะไม่สลละรอบเราไม่เว้นเราก็ไม่ทรง อยู่ห่างเราท่านทั้งหลายก็ในฐานะที่เราทั้งหลายจากปุรุช น, นีนะมี2กลุ่มอยู่ไหมถ้าอันท้าปุรุชนเรียนทำด้วยอายโยนิโสมนัสการนะเรียนขันนัยธนทธาอินทรีย์สัจจะเป็นต้นเรียนพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยมนัิการไม่ดีนะอันนั้นเราจะไม่เป็นบุคคลประเภทนั้นแต่เราจะเป็นกัญญาบุรุชนตั้งอัธยาศัยว่าเราจะตั้งโยนิโสมนัิการในการเรียนพระธรรมคําำำสอนของพระบรมศาสดา มนัสิการบ่อยๆตั้งใจบ่อยๆมนัสิการคิดนึกพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าบ่อยๆเมื่อเราตั้งโยนิโสมนัสิการในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเรามีโคจรบริสุทธิ์นะเออเมื่อมีโคจรบริสุทธิ์ทั้งส่วนของการที่วางจิตเป็นไปกับรูปอารมณ์เป็นต้นหรือในการที่เราจะท่องเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจากฐันสู่ขันเนี่ยนะจากพบสูบ่พบเนี่ยเราจะเที่ยวไปด้วยโคจร น, นะนะี่ยที่บริสุทธ์ มนัสิกานตั้งโยนิโส ม, มนัสิการบ่อยๆนะเมื่อเราตั้งบ่อยๆตรงนี้นี่แหละจะทําให้เรานั้นน่ยตั้งวิธีคิดของเราได้อย่างหนาแ น, น่นเมื่อเราตั้งจิตของเราได้อย่างหนาแน่นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่นประสบความสําเร็จแล้วนะในการที่สามารถตั้งกระแสนามธรรมาของเราเนี่ยให้โยนิโส ม, มนัสิการเกิดเกิดก่อนเมื่อโยนิโส ม, มนัสิการเกิดใช่ไหมมันจะเป็นไปด้วยโครจร น, นึกที่บริสุทธิ์ อันนี้ก็ไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นผู้มีโคจรที่บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนาถาเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกสามนี่นะย่อมเป็นผู้อันภระญะเหล่านั้นเว้นรอบระหาไม่ได้ทัานมเมสราเว้นนะพระโสดาบันสกาธานาคาพระอรหันต์ท่านเมสระเว้นไม่เว้นพระพุทธเจ้าหรือย่อมเป็นผู้เว้นจากพระยาเจ้าเหล่านั้นคือพระพุทธเจ้าไม่เว้นจากภริญเจ้าแม้เราท่านทั้งหลายเป็นกัลยาณบุริยชนยทั้งหลายก็ ไม่ควรให้พระเจ้าเว้นเราแล้วลเราก็ไม่ควรเว้นพระผู้มีพระเจ้าอันเนี้ยในศัตว์ตองคำว่าไม่สละรอบเนาะไม่ทรงละเว้นประการต่อไปก็คือประการที่สิบการจะจบเลยเนาะในพุทธคุณในบทว่าลรหังความหมายตรงคำว่าอะหังว่าไม่มีการไปในภพทั้งหลายเนาะเออในการเรียกว่าระโหการไปในสงสารวัตรการไปในขันการหมุนเวียนไปของขันทาตศยจตนะ การหมุนไปในคติต่างๆนะสัตว์โลกเราเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาและผ่านไปเนี่ยหมุนไปเนื้อริยาคตินะบางพบบางภูมินะบางชาติโอบางทีหลายร้อยชาติเลยนะหมุนไปในเรียคติเกิดสัตว์เป็นสัตว์นรกอ่ะบางทีก็กระนำกระแสขานในยะเนะชาติหมุนไปในเีราชาคติอ่ะบางครั้งก็หมุนไปในเปตคติเป็นเปตนะโอ้ยางนานเปตก็หลายจะพวกสัตว์เดรชาก็หลายจั่พวกสัตว์เดรฉาก็หลายจั่พวกหมนุษย์ก็หลายพันเนี ถ้าพิจารณาดูเออในปัจจุบันนี้ถือว่าเราได้เป็นมนุษย์ที่พันโทจะรู้เรื่องนี้นะสามารถที่จะฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาไดา้เป็นต้นก็มาพิจารณาดูเออเนี่ยนะคำว่าระโหก็แปลว่าไปในสงสารแต่คําว่าอาระหังเนี่ยแปลว่าไม่มีการไปในพบทั้งหลายไม่มีการไปในกามาพบไม่มีการเป็นไปในรูปประพบอรูปพบเป็นต้นนะนะพระผู้มีภาคเจ้าไม่มีการไปอย่างนั้นเพราะพระองค์ได้ทรงทําลายกรรมวัฏนะ พร้อมตั้งองค์ประกอบได้แล้วนะ่ะควงโพธิพฤกษ์นั่นเองทําลายกรรมวัดเพราะพระองค์ทําลายกิเลสวตรเพราะกิเลสวัตรของพระองค์ขาดแค่ไม่ราคะโทสะโมหะขาดก ร, รมวัดอันต่างโดยเจตนาที่เป็นบุญที่เป็นบาปและที่เป็นอนินชัดทั้งหลายเนี่ยก็หักสะบัน้นพราะเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอนินชัดหักสะบั้นเบเสด็จเนี่ยองค์คือชาลาและมรณะไม่มีเลยใช่ไหมไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปตายอีกแล้ว ออพระองค์ทากระทำให้สิ้นแล้วให้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมเราต้องบอกว่าเ ย, ยนาเทว ป, ปปัตยัสสคันดโพวาวิหิงขโมยขัดตังเ ย, ยนาคเชยามนุสสตัญจับพเช เตมัยหังอาสวะคีนาวิสุทธตาวินาริกตาพะ ก, การเข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นคนทันพูดไปแนากาศพึงมีแก่เราด้วยอาสวะเราใดเราพึงถึงความเป็นยักษ์ข่านีนะคือพึงถึงความเป็นมนุษย์ด้วยอาสวะเราใด อาสะวะเหล่านั้นของเราสิ้นแล้วเราได้ทําลายเสียแล้วก็ทําให้ปราศจากความผูกพันแล้วเออพระผู้ทธมีพระเจ้ า, จามไม่ได้เข้าถึงเป็นพรมเป็นเทพเนะี่ยเป็นมารเป็นไม่ต้องเดยเป็นอ่ะนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทั้งหลายเพราะอะไรพระ อ, องค์ขจัดกามาสะวะภาวาสะวะทิฏฐสะวะและอวิชชาสะวะให้หักสะบัน้นก็คือหักกรรมเลย แท้ที่จริงหักกิเลสชื่อว่าตัดใช่งไหมพังกรรมไปด้วยนั้นกรรมที่พระ อ, องค์ทำเนี่ยไม่สามารถไม่เป็นไปในภพทั้งหลายแล้วเ อ, อคําว่าระโหคือการไปได้แก่การกลับมาเกิดในคติทั้งหลายเนะ้อคือคําว่าระโหระโหเรายังเป็นระโหอยู่เลยเนะ้ อ, อระโหเข้าใจนะเนี่ยสัตว์ที่เป็นระโหกันนนเี้พวกเราเนี่ยนะคือยังจะต้องไปในนิรยะคติอีก โอ้น่ากลัวมากไปในเดรัจฉานคติไปในเปติคติไปในมนุษย์ยคติแล้วก็ไปในเทวคติถ้าไปในเทวคติก็โอ้ยไปเพื่อเพืิอนเนาะไปในมนุษย์สิยาคติก็เนี้ยอย่างที่เราเจอกันนี่แหละทั้งทุกข์ทั้งสุขฆ่าเข้ากันนนั้นทั้งบุญทั้งบาปกระฆ่าเข้ากันนี้ชีวิตเป็นอย่างเนี้ถ้าไปในเดรัจฉานเปติคตินะอเดรัจฉานนักติ ถ้าต the right? ve ิน <hip> <noon> right. <rule> the ี่เานับห้าเข้อาเปรดรวมกันอสุรกายเจ๊ะไหมเออซเตไดฉานก็เปรียดไดในเดียวเลยอะไรดีากันไม่ถามว่าอะไรดีแต่เปรียดกยังมีโอกาสกว่าไดฉานหมดโอกาส แต่ก่อนเราก็นึกว่โโาโหซาดิลาชาดเนี่ยดูเหมือนดีใช่ไหมทําไมไม่ดีลงมันนะวิเคราะห์โมหะแหลนโมหะแหลนดูเห็นไหมเขาอยู่ด้วยมืดมิดเลยแล้วเราลงคิดดูเนี่ยมบางทีเราจิตไปผูกับมันเยอะมากลากมันบางทีเราก็นึกว่ารักไดเมตตาจนดีตานานั่นเนี่ราเลี้ยงมันเนย เลี้ยงให้ดีๆเนีไม่เป็นไรเนาะแต่บางคนเลี้ยงเหรโหยโกรธเลยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงใช่ไหมเมืนก็ยุกยิกย๊กยุกยิ๊กไปด้วยเนี่ยมันเป็นอภัยศาสตร์นี่ถ้ามันลองจะสอนในรกเท่านั้นเองต้งคิดถึงเดี๋ยวนี้มันโดนในลงเลี้ยงกันยังเนาะแต่ไม่ใจสอนไม่ให้เมตตาเนาะก็ให้เมตตาไม่ทำลาย่อยปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติถ้าโบราณก็อย่างนั้น เขไม่ไดเอามากักมาขังเอามาเลี้ยงเอามาโอ้ยทำเรือเสียเลยมันไม่เคยเป็นสัตว์อยู่แอร์ลเลยก็มาอยู่แอร์นะมันไม่ใช่สัตว์ที่เอาเพชรมาผูกก็เเพชรไปผูกเขาที่เนะสัตว์เดรัจานเนะี่ยถ้าบางคนต้องใช้เพชรเนี่ยใส่ให้เลยนะคล้องเพชรให้บางคนคล้องเพชรตั้งไม่รู้กี่กะหลัดให้เลยอ่ะแค่ไม่ใ ช, ใช่นั่นเนี่ยคือว่ามันไม่ใช่เป็นอัธยาศัยของเขามันเป็นบุญของเขาก็จริงอยู่แต่เขาไปแต่งตัวเกาสเกลียดเลย แต่พูดไปพูดมาเดี๋ยวอีเช้ามา <Yes. S 1> ตรงนี้ก็คือนั่นแหละอย่างเราท่านทั้งหลายยังมีการไปในกติทั้งหลายเนาะแม่พอพูดตรงนี้ถ้าพูดในส่วนตัวในความรู้สึกเลยนะอาจารย์เนี่ยหวาเสียวยริงหว่าเสียวตอนที่ที่ผ่านมาถ้าตายตอนนั้นน่าจะไปตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลแม่เรามาพิจารณาดูโอ้โหมันประเภทที่ หุดหิดมากคือกรณีที่เรากำลังถูกกระทำอย่างรุนแรงจิตมันตั้งไม่ได้ไโทรศัพเกิดถ้าใครเคยกระทำแรงๆเนี่ตนเองไม่หมยก็พอกำหนดได้หรอกพอโดนแรงๆก็ น, นี่เนี้ยโดนมัดโดนผูกโดนล็อกโดนใส่ทิ้งอื้ม โอ้โหถ้าตายตอนนั้นจะไปยังไงเข้าใจไหมสัตสัตบางคนก็ตายเงียบๆเดียะเงียบๆก็ไปก็โลภะก็เยอะโมหะก็เยอะเนี่ยนะมันไม่ดีทั้งสองส่วนเลยการถูกเชื่อถูกตัดถูกตอนถูกฆ่าหรือการตายเนี่ยเพราะการตายเนี่ยเป็นเหตุน่ากลัวมากใช่ไหมถก็ดูดียวเาตายกันลริมล่มๆริ่มเริ่มเนี่ยเราไม่รู้กติของเขาเลยอ่ะ มุฮัมมัดปิดเราไงวิชาเราไม่มีปัญญาไม่เกิดไม่เห็นจริงๆไนงะก็ลือกันเห็นเหนะ็นๆเนี่ยจริงๆมันเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เราว่ า, ากัน ไ, ไปเนี่ยนะไม่เหมือนพระเจ้าหรอกพระเจา้าจะเห็นจริงๆถ้าไม่เชื่อท่านแสดงให้ดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยมีใครมาแสดงปรากฏให้เห็นทั้งโลกมองกันเห็นทุกวันทุกเมืองสัตว์กําลังทร ม, มานเนี่ยเอาภาพให้ดูเลยนะใช่ไหมไม่มีเป็นภาพปยนต์มาแล้ว เดินดูดูคนก็เลยไม่เชื่อทั้งทั้งที่มีอยู่อย่างนะ้นนั่นก็เลยตรงเนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะตั้งมั่นในศีกขาสามมีผู้ได้เจ้าเ ป, เป็นเป็นเป็นที่ยึดหมายในการที่จะไม่ทําให้ตนเองห่างจากผู้ได้เจ้าไม่ทําให้ผู้ได้เจ้าสระรอบศีกราบเป็นต้นและทำไปแลรวเออทํำยังไงนี้สุดจริงเพราะยัเป็นปัจจัยการไม่ไปในพพทั้งหลายเพราะขนันอายะตะนาธาที่เป็นไปในภพทั้งหลายมันเป็นโทษใช่ไหม จนั้นทาวรมาสดาได้นำว่าอารหังเพราะเหตุที่ว่าว่าท่านประพันธ์คะถาบอกว่า ah asa, o, ah ano, ah ระโหวาคมนังยสาสังสาเราทิสัพพโสไปนาชาติมรโนอรหังสุขโตมาโตระโหก็ปแปลว่าการไปในสงสาร คำว่าการไปในสงสารไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่พระบรมศาสดาพระองค์ใดถ้าบรมศาสดาพระองค์นั้นทรงรากชาติและมรณะได้แล้วสเสด็จไปดีแล้วบัณฑิตจริงขนานพระนามพระบรมศาสด า, สดาว่าอารหังใช่ไหมเออพระบรมศา ส, าสดาไม่ไปในการมาพบรูปพบอารมพบไม่ไปในคติทั้งห้าคือนิรยิยคติเปรติคติเดเ ด, ดาชาในคติเปรติคติและมนุสสยคติเดวคติเลยนะไม่ไปแล้ว ลาชาติใช่ไหมออการไปในสงสารคําว่าการไปในที่นั้นก็คือการที่ขนันในยตนาธาต์ไปไม่ใช่สัตว์บุคคลไปใช่ไหมเพราะขนันในยตนาธาต์เนี่ยมันเดินตลอดเ น, นี่ยตอนเนี้ยเรานั่งกันอยู่เนะี่ยไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่หญิงชายนะแท้จริงขนันในยตนาธาต์กำลังทํากิจในยาบทนั่งอยู่และขนันในยตธาต์ทำทำกิจในการฟังทำอยู่นี่ก็เหมือนการขันในยตนาธาต์ทากิจในการแสดงทำอยู่เนี่ยนะ อันนี้เขาเรียกเพิกสัตว์บุคคลแต่ต้องเข้าใจบัญญัติให้ดีนะถ้าเราเข้าใจนี่โอ้แท้จริงขันในยะตะนาธาตุกาลังเดินกันอยู่ผู้ฟังผู้แสดงเนี่ยเป็นการเดินของขันใยะตะนาธาตุกาลังเดินไปอยู่ใช่ไหมในการเกิดดับแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการเกิดดับเนี่ยมีแล้วกับไม่มีนี่คือเป็นอนิจจังการเบียดเบียนเพราะความการถูกเบียดเบียนเพราะความเกิดและความดับเบียดเบียนตลอดเวลาเป็นทุกข์ คอนโทรลบังคับไม่ได้หยุดหยุดหยุดนี้นะให้หยุดความคิดยังหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมเออหยุดความคิดเน่ยหยุดไม่ได้หยุดนามธรรมหยุดไม่ไหยุดรูปธรรมไม่ให้มันเกิดตับก็หยุดไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นคําว่าอนัตตามันเป็นมันอยู่อย่างงี้แต่เรารู้จริงไหมนะถ้าเราเข้าไปรู้จริงๆเข้าไปเห็นจริงๆเข้าไปประจักษ์แจ้งชัดจริงๆก็ด้วยการศึกษาพระธรรมค่อนข้างชัดด้วยแล้วต้องมาวิจัยด้วยปัญญาอันชอบด้วย แล้วปัญญาตั้งตั้งอยู่บนฐานของสมาธิสมาธิตั้งตั้งอยู่บนฐานของศีลเนี่ยศีลต้องอบรมศีลอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นไงมันถึงจะเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดขันธ์ยตนะธาตุชัดเจนนะนะต้องมีข้อมูลเยอะไม่ใช่พูดแค่นี้ยถ้าอย่างพระอาจารย์จะพูดบอกว่าเออทุกอย่างไม่เที่ยมมันหมุนไปเนี่ยทุกคนปล่อยวางได้จริงๆนะในความศึกษานี่ลุกไปกลับเหมือนเดิมลุกไปกับเหมือนเดิ ม, ม, ดมใช่ไหมนั่นเพมันรู้ไม่จริงมันเข้าใจไม่จริง รู้แบบสัญญารู้รแบบยัญญารู้มันไม่รู้แบบปัญญารู้ปัญญามันต้องมีสุตตะรู้ก่อนพวกเราเป็นสุตตะพุทธะใช่ไหมสุตตะพุทธะหรือสาวกกาพุทธพุทธะก็แปลว่าฟูฟังฟังเลยถึงจะรู้ฟังเลยถึงจะบรรลุไม่ใช่ไม่ฟังอะไรเลยไปปฏิบัติแล้วบรรลุเลยไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นไม่พุทธะไม่ใช่สุตตาพุทธะไม่ใช่สาวกการพุทธะแล้วเผ้อเลยสองพุทธะเองหรือปัจเจกพุทธะกับสัมมาสมพุทธะเราใช่ไหมล่ะ อาแล้วใช่ยังไม่ใช่การนะสิอ่าจจะไม่ใช่การคุณต้องถอยมาเรียนถ้าไม่เรียนคุณต้องมาเรียนแต่คุณพูดอัดพูดพยัญชนะผิดคุณต้องพูดให้หมันถูกถ้าเข้าใจอัดฐานผิดคุณต้องเข้าใจอัดฐานมันถูกเ <ST S 1> มื่อเข้าใจพยัญชนะและอัดฐานทำอัดฐานและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซื่นเชิงบรเสุทธเนี่ยถึงจะมาไขคนทคำสอนเนี่ยมองยี่ชัดไหมถ้ามองยี่ชัดเราโอ้ยนี่เข้าใจแล้วแต่นี้เราจะได้โอ้เราเดินถูกแล้วแต่งั้นเราก็โอ้ยเราก็คิดว่าเราเดินถูกเดินถูกเห็นไหม แต่จริงเราก็ตามใครก็ไม่รู้โอ้โหต่างกัวมากตอนนี้น่ากลวนิดนึงเรียนจบสูงๆก็ไปตามเอินตามกันอยู่นี่ฮะน่ากลจริงตรงเนี้ยอ า, รร อ, นนอาต่อไปประการสุดท้ายลยประการสุดท้ายนี่การจบเนาะเตรียมชื่นใจแล้วแต่นี้อรหังอันนะอะไรทำว่าอารหังเนี่ยหมายถึงควรแก่การสารเสรญ พระบรมพระผู <necessary. S 2> ้มีภาะเจ้าน้ำว่าอรหังเพราะเป็นผ ah ู so ้ควรแก่การสารเสริญนักคิดอักษรทั้งหลายก็พลนาอะรหันอออ่านรอเรือแล้วก็หอหิบเนี่ยสับโดยความหมายว่าสารเสริญเนี่ยนะก็ความที่พระผู้มีภาะเจ้านั้นเป็นผู้ควรแก่การสารเสริญพระองค์ทรงบรรลุแล้วด้วยพระคุณนะตามความเป็นจริงเนี่ยโอพระคุณตามความเป็นจริงเยอะแยะเลยนะพระคุณตามความเป็นจริงถามว่าบรรลุอนาวรณแลนัางจริงไหม ใช่ไหมเนี่ยมรรลุสัพพัญญุตยานา น, านาวราญา น, าานอินทรียปรโรปริยติยานมหากรรณาสมาปฏิยานอาศยานุสยะยานแล้วก็ยมมกาปาฏิหาริยยานอาสาธนาญาณหกนี่ไม่ต้องดูคำว่าอาศยานุสยายานคืออะไรรู้อัธยาศัยมรู้วัธิมุตแล้วก็รู้ อานุ่งใสโหรู้จริตโหตรงนี้สุดยอดเลยเฮ้ใครไปค้ามไม่ไ่ะพระพุทธเจ้ารู้แต่นอกนั้นไม่รู้ไม่รู้ต้องพระพุทธเจ้าถึงจะมียานเพราะเป็นอาสาเท่านะไม่มีแกพระสาลีบุตรไม่มีแก่พระโมคคัลลานะจบเลยบุคคลอื่นไม่ต้องพูดแล้วแม้ที่จะไปรู้จริตอัธยาศัยก็ไม่ใช่เลยแกมาทํานายทด้ทักอุกเคลนนี่เลยโหยุ่งแล้ว ย่อมลยยะขายายังนี่ยาชัดถึงนี้เราโอพระเจ้ามีอาสัหรือเสียยานยาาพระพุทธเจ้ามีอะไรอินเดียอินท ร, ร, รียปรโรปเรีติยานรู้จักอินทรีย์ว่าอ่อนแก่ไหมศรัทธาเวียสติสมาธิปัญญาเออทุกวันนี้เราให้กรรมฐ า, านเงียนี่น้วมาสอบถามว่าคนนี้ศรัทธาอ่อนเพิ่มศรัทธานะคนนี้สติอ่อนเพิ่ม ส, นะนน ส, ออมสตินะมั่วกันปเลยนะเดี๋ยวนี้นะคนนี้ปัญญาอ่อนเพิ่มปัญญาะอะไรต่างเนะี่ย คนนั้นกำลงังสนใจไปถึงเเืย อ, อย่างนเนี่ยโอ้ยุ่งเลยยุ่งแล้วขเขายจใช่ไหมหนี่เราไม่รู้จักอา อ, อาสธาธารณญาณของพระพุทธเจ้าที่จริงตอนไปที่นั้นอนาญาณก็ไปเนี่ยอาหัไม่ได้บรรยายอะไรเลยเพราะเขาถาม อ, อีกเรื่องนึงไป อ, อีกเรื่องหนึ่งไปเนีลืมบอกมาจริงจริมันมีข้อมูลเยอะไงยมันอยู่ที่ว่าม คนถามถามถามถามถามเรื่องอะไรวันนี้เรื่องนี้เอาไปจบเลยเนะี่ยไปเขาเปลี่ยนเรื่องคนใจร้อนกันงัน้นประเภทจักรู้เยอะแต่ใช้เวลาน้อยอะ่ะเราก็เอา้าจัดให้จัดใจดใไปเลยแต่เนี่เอ๊ะแซ่บพอวันไปเท่าไหรหนึ่งจะไม่ได้ต้องสรุปแล้ว น, ะนี่ยเลยไปสรุปนี่ก็เลยจัดให้นี่เรมามองเทียวเลยธรรมะจัดสันเนี่ย <c oughs> มันก็เรืความเข้าใจนะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเพราะผู้พูดไม่รู้อัธยาศัยของผู้พูดนั่นเองไม่มีอาสยาม น, นิสัยยาหยที่ต้องการพูดเนี่ยคือประเด็นนี้นี่ไงคือความไม่รู้จักใช่ไหมถ้ารู้จักเนี่ยเราจะพูดถูกในทีแรกแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนได้ทุกวันเนีะไอ้ต ร, ง, รกกงเนี้ยถ้าพระโรมัสซาสดาก็แสดงใช่ไหมตามอัธยาศัยนะยังเาโอามาอายุสองวันก็ปีด้วย แล เ, เรามีความสามารถน้อยนิดไม่เดือเลอลยก็ะเนี่ยแสดงไปไงั้นเต็มที่แล้วเนะี่ยเต็มที่แล้วแต่ว่านีนี่แหละคือพุทธิจ า, ยานเนี่ยพยานต่างๆเหล่านี้ยไม่ไม่สารทานทั่วไปแต่มุคคลอื่นเออมาพิจารณานเนี่โอ้โหพระพุทธวิปัจาจา น, นยกายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมของพระองค์นี่เป็นไปกยานมีพยานห้อมล้อมเนาะ เออเวลาพระ อ, องค์จะกําหนดกาจกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งน้มานนี่หลวมลุกหลุดลุกหมดแล้วจะขยับมือจะขยับแขนอะไรต่างๆไม่เคยมียานหน้หรือปัญญาคอยกํากับหรือแวดล้อมอยู่เลยอ่ะจะกระพริบตาอาบากอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะทําอะไรต่างๆไม่มือมียานปัญญาไม่เป็นไปกับยานไม่มีพยานนำล้อมแล้วก็พยานไม่รอบร้อมไม่ไม่ล้มอมรอบดืวยความคิดถึงนั้นอันนั้นนะจะกระดิกนิ้วแต่ละครั้งก็พยานหมุนรอบหรืพุบหมดเลยนะเออจะกระดิกเป็นไปกับพยานยังไง S <S โอ<ฮ>้ยสุดยอดยังไงเ น, นี่ยเนี่ยคือ อ, อาสาทารายายไม่ไม่แก่บุคคลทั่วๆไปนั่คือความงามพุทธเจ้าอันนั้นพรลานาเพื่อให้เห็นนะควรสนอเสริญเราจะได้เห็นคุณว่าพระพุทธมีพระอาจารย์นั้นมีพระคุณแม้ในรู ป, ปกายเพราะในรู ป, ปกายที่พระองค์แสดงออกทุกจุดนั้นนี่ยเป็นการแสดงออกด้วยการที่มีพยานแวดล้อมมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ทุกจุด แม้แต่กระดิกนิ้วนิดเดียวแม้แต่แย้มโอดแม้แต่ทำกิจอะไต่างแต่ว่าใครเนาะเลยที่จะรู้อัธยาศัยของพระเจ้ายากมากพะพุทธญพระพุทธพระเจ้ า, จ า, จามีอัธยาศัยหลากหลายมากถ้าอย่างเรานี่นะเราไปอยู่กับบุคคลอื่นเราคิดอีกอย่างคนคิดอีกอย่างมูลนิยมยช่ไหมพระเจ้าไม่ไหมพระเจ้าทรงมีพระเมตตามีพระกรุณามีพระอุเวคาเนี่ยนะ มีสิ่งต่างๆมีบารมีสิบอุปบารามีสิบประมัติธรรม า, ามีสิบเนี่ยเต็มเปี่ยมแล้วนั้นบุคคลที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้สัตว์นั้นจะปฏิบัติไม่ถูกกับพระองค์พระองค์ก็ไม่เคยหงุดหงิดและขัดเคืองใช่ไหมเออตรงเนี้ยสุดยอดจริงๆอะซึ่งเราทํายากมากซึ่งเราต้องพัฒนาจริงตรงเนี้ยต้องพัฒนาว่าเมื่อไรเนาะเราอยากจะเต็มบางเนื้อถ้าเต็มเนี่ยนะ ถ้าเต็มมันน่าชื่นใจใช่ไหมน่าคิดไหมล่ะเพะโอ้โหถ้าทำกายกรรมวจีกรรมมีพยานรอบแล้วนี่เยคุณธรรมบริบูรณ์อย่าหายากมากนั่งนิ่งได้ไนงะเออจะเคลื่อนจะไหวแต่ละครั้งเนี่ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์หลากหลายมากเนี่ยนะคนรู้อัธยาใสาได้ยากบางครั้งพระองค์ทรงเข้าไปในพระคั น, นกดี แต่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเนะี่ยไปโปรดใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมพระนร น, นก็ฟ้าโอ้โหอาการน่าก็ดีเยอะอย่างเงี้ยนะ่ะกลับมาจึงมาแจ้งให้พระนรนว่าโอ้ยพาะน น, นก็ตื่นเต้นงี้เข้าใจไหมบางครั้งก็เสด็จไปรำพังบางครั้งก็เสด็จโดยมีพระอรหันต์ตามไปด้วยเรื่องต่างๆเนี่ยถ้ามีพระประสงค์นะพ่านร น, นก็โลมีการแย้มประตูแย้มประตูพระนร น, นรู้แล้วโอ้เนี่ยพระเจ้าจะเสด็จไม่ใช่โอโหอย่างเราสั่งแล้วสามีกันเนี่ยนะ สั่งแล้วลืมสั่งแล้วหลุดเนี่ยไม่ใช่แล้วนะพระนอนนี้ไม่ไม่ใช่นะั้นแต่พระฐานเตรียมนะั่นถ้าจะไปก็จะเสด็จทางทางที่ลาบหรือที่อากาศโอ้โหขนาดนั้นเลยนะถ้าจะไปทางอากาศถ้าอย่างเราโอ้โหมีลิสอย่างนั้นอะไปอากาศอย่างเดียวเลยใช่ไหมสะดวกเนี่ยไม่เอาแล้วนั่งรถไฟกับ น, นั่งเครื่องบินโอ้ยนั่งเครื่องบินดีกว่าใช่ไหมนั่งรถไฟไหมตู้ธรรมดาก็าอีก อาเมืองแขกก็เอาตัวธรรมดาเมืองแขงกแสร็จเลยโด น, โดนหัวหิ้วเดนถามยันนึงลุกไม่ได้ห้ามลุกลุกกเสียม้าแต่ก่อนไม่เข้าใจคํานี้นหมลุกเสียของอ๋อเป็นนักเล่นหมากลุกเขามาเล่าถามอันก่อนถามไม่เคยเล่นเฮ้เขามาลุกเสียม้าอ๋อพอลุกไปพบเนี่ยเขากินมา้าเอางั้นก็ก็เหมือนคนที่ลุกหยุที่พบแล้วก็นั่งแทนเนี่ยใช่ไหมไปเมืองแขกเป็นยังไงก็ห้ามลุกเวลานั่งรถ พระลกก็เสียเลยที่ดินไม่ได้นั่งแลกลับมาทนปะถ้าอยากจะนั่งนั่นนะ่ะทนปะนี่ก็ลูกลูก็เสียของฉะนั้นพระบรมศ า, ศาสดานั้นเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญประกอบด้วยคุณต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะคุณของพระบรมศาสดาทีนี้ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นนะตามความเป็นจริงพุทธญาณต่างๆอสสาธารณญาณเนียนะนะพุทธญาณสนะิบสี่เนาะอสสาธารณญาณหก แล้วก็เวนีิกระทาอีกสิบแปดเวสสารัชยา น, ายานเออสี่อาสาตระนัยยานหกสิบสี่เวนิกระทำสิบแปดถูกต้องก็ไล่ไปไล่มาก็ลงหลงืมๆงั้นนี่ปัญญายอย่างเราท่านทั้งหลายนี่นี่นั่นแหละประกอบด้วยคุณทั้งหลายเนี่ยนะอย่างนั้นทรงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอ คือจะหาใครที่เสมอด้วยศีลคุณสม า, รราธิคุณปัญญาคุณวุฒิคุณอันยอดเยี่ยมเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะคุณก็ไม่มีนะแม้ระดับศีลไม่มีใครมีมากเท่าพุทธญาติที่จริงต้งไล่บา ร, รมีศีลมีใครสร้างฐานบา ร, รมีเท่าพระพุทธเจ้าศีลบา ร, รมีเนคขมะปรรัญญาบุริญาติสัจัยที่ฐานนะเมตตาเวกายไม่มีใครทําได้เท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณอย่างเนี้ย้องเวลายังไง ไอ้มาต้องชอบสาธยายบารมีสิคิดกับเขายอะยังนั่นแหละสายทะยานใสคือไม่ร้เป็นอะไรชอบสารเสพคนของท่านเพราะสารเถพนโอ้รู้สึกชินใหญ่เพราะว่าเปิดทองใบดีโอชินใหญ่นี่นะอยู่คนเดียวก็ท่องอยู่คนเดียวก็ท่องแล้วท่องใบบ่อยน เ, นอเนี่ยเป็นอัตยาใสเนี่ยมันจะนึกว่าวันนี้เราบารมีไรคขาดคุณทําอะไรขาด ต้องใช้บารมีหนุนเนื่ยงปอิีปากนะหนเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ตกต่เนี่นะะพยายามหนุหนๆๆๆๆเนี่ยหนุนแบบต่ำๆค่อยๆหนุนใช่ไหมถ้าตึกทุกวันแหละวันบ่อยๆลองคิดบ่อยๆดูทีวันนึงปลารอบดูที่นอนตื่นขึ้นมาปุา๊บอะตึกบารมีเอาบารมีมลเปินสิ่งมาทิเป็นยังไดูออที่สี่งเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงไห พอลืมตาขึ้นมาปุ๊บทวนบารมีมวันนี้บารมีข้อไหนนะที่จัะได้เดินก่อนใช่ไหมเออศีล ส, สมาธิศีลใช่ไหมเราศีลเขาศีลเขาศีลของเราบกพร่งรงรงอรงอมไม่ขาดไหมเออไม่ขาดไม่ดางไม่พร้อยไม่ทะลุไม่ไมปรูนนะ้เนอะเนาะเราได้ดีแล้วถนะ้าเป็นลาบของเราลแล้วเราได้ผู้ชาวพุทธเจ้าได้กุศลศีลข้อนี้แล้วใช่ไหมเออนี่เป็นศีลบารมีไหม เป็สีนะไม่มีตัณหามันนะทิฏฐิองอาศัยก็ใครควรนะฝึกการคิดคิดมุมนี้เยอะๆเป็นนักคิดอยู่แล้วทุกคนทุกคนคิดเป็นอยู่แล้วแต่กับความคิดเนี่ยใช่ไหมทุกเป็นคนเป็นนักคิดหมดเลยนะไม่มีใครจะไม่คิดแล้วต้องคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยและห้ามความคิดไม่ได้ด้วยแต่ทํายังไงจะเปลี่ยนมาคิดดีได้แค่นั้นแหละเพราะมักจะคิดไปทั่ว แล้วคิดแบบไม่มีร่องมีรอยด้วยแล้วคิดไปตามสภาพของสิ่งที่ประจักษ์แล้วพบเห็นด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปถ้วยใช่ไหมแล้วก็ตึดเอาตั้งใจเริ่มต้นตื่นเลยนะก่อนนอนอคิดอีกแล้วคิดให้เป็นรูปเป็นแบบนี้นะนอนก็เออวันนี้มีบารมีอะไรบ้างมีบกพร่องใช่ไหมทวนบารมีก่อนสิปุ๊บไม่ได้อะไรบางอย่าง นั่นสิที่จะหนุนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้คิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ดีเป็นนอนกลางวันอีกรรมอสมมติถ้ามีภาคกลางวันต่อนี่ก็ไปคิดกลางวันเนี่ยได้วันสามรอบใหม่ๆก่อนเลยนะอันนี้ใหญ่ๆเลยนะอันนี้แกลายว่าใหญ่ๆต่อไปจะหนาแ น, น่นขึ้นความคิดเนี่ยมันจะมีกำลังเนี่ยคนที่คิดบารมีทุกวันทุกวันเนี่ยหนาแ น, น่นแต่เราไม่คิดอ่ะนะครับนะครับลืมลืมเนี่ยลืมตัวหมดแล้วเขาใหญ่งนี่หลักฏิบัติในเนี่ย นี่เขสอนปฏิบัติต่างจากคนอื่นเขาสอนคนอื่นเขาไม่สอนแบบนี้นี่พระเจ้าก็สอนนี้ฉันจะหาบุคคลที่เสมอหรือเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าด้วยศีนที่ยอดเยี่ยมสมาธิที่ยอดเยี่ยมปัญญาที่ยอดเยี่ยมวิมุติยอดเยี่ยมวิมุติยานนะคราที่ยอดเยี่ยมเหมือนพระผู้มีภาะเจ้าไม่มีนะฉะนั้นผู้มีภาะเจ้าจึงนินามว่าอารังเพราะเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญโอ้คนนะ เรามีปาการ เ, เราจะสรรเสริญคนอื่นเนี่ยเยอะแยะแล้วเอามาสรรเสริญเพื่อเจ้าดีกว่าเรามีใจเนี่ยเรานึกบุญสรรเสริญคนอื่นมาเยอะแล้วเอามาสรรเสริญนึกถึงสรรเสริญเพื่อเจ้าดีกว่าใช่ไหมกายเนี่ยเราเป็นนอบน้อมบุคคนอื่นกลาวบุกคนอื่นมาเยอะแล้วมากล่าวพรทธิยาดีกว่าเข้าใจใช่ไหมทํากายกรรมวจิกรรมลำนโนกรรมในการที่จักสรรเสริญถ้าพูทมีภาคญาถ้าเราตั้งหลักของเขาทุกเราถูกเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนเราจะสรรเสริญได้ไหมสรรเสริญ อะไรนะทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้าอ่าละไรอ่ะว่าางทีเราไปยุ่งกับการงานมากเกินไปเมื่อ ค, คิดถึงพระเจ้าหรอกใช่ไหมจ้ะหุ้นเหลืองนุ่นเรื่อง น, น, องนี้ก็ไม่ต้องอะไรเอายมที่ไปที่ไปลาไก็นอนโแต่ก่อน ก, นก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้คิดก็บอกเลยฮะต้องกัดคิดทีนี้ตรงนี้ท่านประพันธ์บอกคุณเนฮี สาธิโสนทียาสมาโลกสเทวเะเกตัสมาตาสังสิยตาปีอระหังทวีปทุตตโมเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีบุคคลผู้เหมือนโดยคุณทั้งหลายนะ หาบุคคลที่เหมือนพระทีเจ้าด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุติคุณวิมุติญาณในทัศนคุณเป็นต้นไม่ได้จะเหมือนอย่างอาสาทัะนญาณหกดังดิลกาวก็ไม่มีพระคุณทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาเป็นต้ น, นในโลกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าในบรรดาสัตว์สองเท้าใช่ไหมพระบรมศาสดา บ, บอกว่าเปรฐกว่าสัตว์สองเท้า สัตซองท้าทั้งหลายตตีท้ามากท้าไม่ต้องพูดถึงนั้นพระองค์จึงได้น้ำว่าอารหังแม้ความที่พระองค์เป็นผู้ควรสรรเสริญเราท่านทั้งหลายนะเออจะมาพิจารณาเบ็ดเสร็จนี้จักเข้าใจนะว่าเออพระชินเจ้ามีนาำว่าอารหังเป็นผู้ไกลผู้มีเป็นไกลจากบุคคลผู้มีปัญญาสามทั้งหลายแล้วก็อรหังทรงเป็นผู้รู้แจ้งต่อบุคคลผู้รู้แจ้งทั้งหลายแล้วก็อรหังกรเพราะละบาปธรรมมันควรละเว้นได้เด็ดขาดนะ แล้วก็อรหังเพราะเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นไม่สะดะรอบแล้วก็อรหังไม่มีการไปในภพทั้งหลายประการสุดท้ายที่6ก็คือพระผู้มีพาคเจ้าเป็นผู้ควรสรรเสริญนี้มาในดีกานะอัตตกถา6กดีกาอีกเออเอัตตกถาห้ดีกาหเนาะจึงรวมเป็นอรหันมี11คนหมาย11ความหมายดังในภารณามันี้อันนี้การเป็นการจำแนกเนื้อความโดยประการทั้งปวงแห่งบทคำว่าอรหังนะ สรุก็คือว่าคำว่าอรหังเนี่ยจบนะก็ถือว่าจบแบบกระท่อนกระแทน ม, มีการเบ็กระยะระยะเล่นกันนะี่แต่กันับวดีนะอาจจะสวดมนต์กนะันสวสดสลรเสริญปรมีของพระจเจ้าหน่อยนะทานาปารามีสัมปันโนทานปาปปะ สัมปันโนนาปรามัตารามิสัมปันโนเมตตามัตรการุณามทิตาคารมิ สมปันโนอิติโสมาคาวสลารามีสามปันโนสลาอุปปารามีสมโนสลาปารามาทปารมี โนเมตตาไมตริการุณามมทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิเปิโสบคาวาเนคขามาปารามิสัมปันโนเน มมาอปปารามิสามปนโนเนคามมาปารมาธปารามิสามปนโนเมตตาไมตรกรุณามติตาอุเปคาปา สามปันโนอิติปิโสบคาวาปัญญาปารามิสามปันโนปัญญาอุปปามีสามปันโนปัญญาปรมัทธปาลามิ สัมปันโนเมตตาไมตรีนามุติตาอุเบกขาปามีสัมปันโนอิติปิโสบคาวาเวริยาปารา สัมปันโนวิริยามุปาปารามิสัมโนวิริยา a ป a รมาทะปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุติตาอุเป คาปารมิซัมปานโนอิติปิโสบาคาวาคันติปารามีซัมปานโนคันติปารามีซัมปานโนคันติ ป a รามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาปิคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสบากวาสัจจารามิ สัมปันโนสัจจุปาปาลามิสัมปันโนสัจจประมาธาปาระมิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิ ต้าอเปกขาบาลามิสัมปันโนอิติปิโสบคาวาอาิทานาปารามิสัมปันโนอาิทานาอุปปารามิสัมปันโน อาคิตานาปรรมตทปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสบคาว ตาปรามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปารามัตตาปาราิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณ ตอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสมะวอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบขาอุปปัระ สามปานโนุปเปคาปารามธะปาสามปานโนเมตตาไมตริการุณามทิตาุเปคาปารมิสามปนโนอิติปิโสบคาวา ปาระมิสัมปันโนทัสสุปาปาระมิสัมปันโนทัสสปารามตะปาระมิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุ ตาอุเปกขาปานามสามปานน้อยติปิโสบัคขวาติพุทธังสารนังกาชามีมังสารนังกาชา สังขาสงขาสัสชาิามีนามมีห